ขอาการนมาสการพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอการน้มาสการหลวงพอ่อพระอาจารย์คงเดชพระอาจารย์มงคลตามที่ขค่น้อยม า, ม า, มาปฏิบัติอยู่นี่ตั้งแต่เมื่อต่ำอิศเมื่อที่หนึ่งวันที่หนึ่งจนถึงเมื่อนี้วันที่เกวันที่หนึ่งถึงวันที่สาม มันมันมัพได้อารมณ์มันยังต้องได้ปรับตัวสะกอนเพราว่าสิปินการสร้างจังหวะเดินจกมกลมเพื่อให้การปฏิบัติให้มันต่อเนื่องพอได้ฮอดเมื่อที่สามเมื่อที่สี่ปรากฏว่าความวาง่วงเงาหาวนอนอหลายอย่างก็หายไปเมือม่อวันที่สี่รู้สึกว่าปฏิบัติได้ดีหลาย คลกับประจับความหูสึกตัวได้ดีขึ้นเพราะว่าจะอาจจะเป็นมาจากตเนื่องมาลายวันแล้วถึงว่ามันทีบ่ได้ดีแต่มันก็ท้อนไปจนมาฮอดเมื่อวันที่สี่หันหูสึกว่าความต้นเนื่องความหูสึกตัวมันทนัดขึ้นหลายเติมแล้วมันกะความเวทนากะหัวเงาวหานอนอย่างกะ คล้ายๆกับว่ามันบริหายไปมันกับมันมีมันมันบมีตัวมีตนอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อว่าเขาเขาตั้งใจเขาเขาเบิ่งมันไปหลายแล้วมันก็เพราะว่าอาการนี่มันประสบแกแคน้อยเองขน้อยก็เลยหงุดหงิดว่าวันที่สี่ฮันธรรมดามันก็ง่วงพอได้แค่น้อยแล้วพยายามว่าเป็นอย่างมันจึงง่วงก็เลยขุดสู่มันว่า ตัง้งใจมันดังลงเบิงประมาณสิบห้านาทีเท่านั้นมันหายไปแบบว่าเป็นคนไหมเลยมันไม่มีอาการดังกล่าว ข, ขน้อยเคยร้องขน้อยมักเป็นคนที่ว่ามักพิสูจน์เนาะเพราะว่าคนเขาคือาอาจารย์นั้นเพื่อนว่าอะไรว่าถ้าว่าเ้าง่วงนอนนี่เขาหลับตาเห้มันนี่มันจะงึบไปโลดหัว สาระนข้าน้อยเมื่อข้าน้อยเห็นอาการของขน้อยว่ามันดีขึ้นเป็นเป็นคนละคนขน้อยลองเห็นลับตาเบิงเพื่อสีสีบาความง่วงมันจิกลับมาบ่ออาการดังเกาวบอปากฏเลยเพราะว่าคืาอคนพอจกนอนละมันจะนอนอะไรเนาะมันมืนขึ้นมาเติมคล้ายๆกับว่ามันจะปฏิบัติโอ้ขน้อยเลยได้ได้อารมณ์ตัวนี้ว่าค้านเข้าใจแล้วว่าความง่วงเป็นแค่นี่เนาะเป็นแค่อาการ สนั่นการปฏิบัติของขนอยมันมันจึงรู้สึกว่าดีขึ้นแบบว่าแต่ว่าระยะสา 3, 5, มหาสี่โมงเป็นระยะที่อารมณ์ดีถ้าผูใ้ใดปฏิบัติตอนนั้นนั้นสี่ขน้อยสําหรับตัวขนอยเนาะแต่ละคนมันก็มจรลิดต่างกันแต่ว่าระวังโมงหนึ 1, 2, ่งสองมงนี่สิเป็นระยะง่วงเงาเหานอนถ้าผ่านพวกนี้ไปประมาณสองโมงครึ่งหาสามโมงแล้วเท้าเท า, าเข้าใจอารมณ์นี่แล้วมันระวางสามหาหาในสิเป็น อารมณ์ดีตั้งมั่นแล้วก็ได้ดีหลายว่าฉันจะได้อารมณ์ดีอันนี้สําหรับจิิตของขน้อยแล้วก็อยากแช่กับหมดทุกคนแต่ว่ากับบุหูเนาะว่าผู้อื่นเป็นสิปฏิบัติแบบใดแต่สําหรับขน้อยเป็นทั้งสั้นสั้นขน้อยจึงพยายามที่ว่าลาวยางม้วนหนึ่งหาสงมงนี่สีเดินจมกลมเพราะว่าหอกก็หาก็กินล้านชากรแล้วพยายามยางให้หลายที่สุดแล้ว ทอมแหงมาปฏิบ so really kind of ัติตอนสามมงหาหา몽นี่เป็นการยกแขนเพราะว่าอริยบุตรนี่ตัวนี้มันจะได้ต่อเนื่องคือการยกแขนนี่มันต่อเนื่องแล้วมันสี่สีได้การต่อเนื่องได้ดีหลายเพอคล้ายๆสําหรับตัวกระน้อยไม่คล้ายๆกับว่ามันได้ได้สติแล้วมันได้ความรู้สึกตัวละมันมันการเคลื่อนไหวของเขามันสีคล้ายๆกับมันเผาขึ้นแหงขึ้นแหงขึ้นแหงขึ้นแล้วมันสีได้อได้ความรู้สึกสัตดแล้วก็สี ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแจ้งตอนนั่นแหละเนาะเท่านี้แหละค่ะน้อยโด ย, ยดแต่หลังจากที่เขาหู้จุดของมันแล้วมันกับเหตุหการณ์ปฏิบัติของเขาดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นเติมเพราะว่าเขาหู้จุดอ่อนของการปฏิบัติหลายอย่างแล้วก็เขาเฮียนหู้จากตัวเขาเองแหละหลังจากนั้นขน้อยก็ได้พ่อในสิ่งที่ว่า แปล ก, กเนาะที่ว่าเขาบเคยเห็นกายเห็นที่จริงมันมีอยู่แล้วความรู้สึกตัวแบบซื่อๆที่ว่าที่โบมีการปรุงแต่งมันมีอยู่ในคิงของเขาอยู่แล้วแต่เขาบบเคยพ่อจักเถื่อเมื่อวานนี้ปรากฏขน้อยได้อารมณ์ดีขึ้นขน้อยกับพย า, ยามรักษาความต่อเนื่องให้แหงยิ่งความต่อเนื่องดียิ่งยิ่งยิ่งความตนความรู้สึกตัวแข็งเท่าใดการปรุงแต่งของความคืดหันมันสี่ สีเ่เฮ็์อย่างโบได้เลยเมื่อวานนี้ข้าน้อยได้เห็นในในในการปฏิบัติที่ว่าหลังจากที่ข้าน้อยเห็นการการต่อเนื่องดีข้าน้อยก็คุมการต่อเนื่องให้ตลอดข้าน้อยก็เลยเข้าใจมันซีมีการปรุงแต่งบางอย่างความคืดมันก็ซิมีแนวบอกว่านั่นเป็นแค่การปรุงแตง่งแมนมาซิฮู้วิธีอย่างยางปรุงแตง่งตูปลามัดแท้ๆมันคือความรู้สึกข้าน้อยก็ยิง่งเพิ่มกําลังทั้งมื อ, ท, มอทั้งมีอย่างให้มันแน่นเขา้าทันตนี้แหละมันตก ค, ความจริงตกนั่น อันนี้สําหรับขน้อยน้อยเห็ดเนาะขน้อยบุ้งฟืนแล้วยิ่งยิ่งยิ่งเขายิ่งปฏิบัติยิ่งโตเนื่องยิ่งนั่นขึ้นแล้วก็จึงเห็นว่าความคืดที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเข้ามาแป๊บตัวอย่างซะอันนี้สมมุติว่าขน้อยคืดถึงหน้าหลวงพ่อก็สิมีแต่ภาพหลวงพ่อปึ๊บบันดึงแป๊บหายไปมันสิบุมมีการ เข้าใจว่าหลวงพ่อสิห์หลวงพ่อสีมะกวดหลวงพ่อสีมะเฮ็ดอย่างมันสิบม่มีตัวนั้นสมบุตรว่าคุดถึงหน้าพระอาจารย์มงคลซะพอเพิ่นสอบอารมณ์เนาะธรรมดาเขาต้องขึ้นว่าโอยเขาสิเอาอย่างไปแก้ไปเบ้าเพิ่นฟังแต่พอหน้าพระอาจารย์มงคลปุ๊บเข้ามามันก็ดับปั๊บไปโอ้ขน้อยว่าร่างจากนั่นกับทุกอย่างที่เข้ามามันก็เกิดขึ้นดับเกิดขึ้นดับโอ้มันเป็นแค่ของที่ว่าบนบ่ ม, มีอย่างแนโนนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เขาน่อยเลยเลยเข้าใจสาภาวะที่ว่าโอ้มันเป็นแค่นี้ตัว น, นั่นจิตใจเขาหน้อยเบามันออกมักแปดครบมดมันสิบโมีสิ่งที่ว่าอากุศลหรือว่าผิดศีลผิดมันสิบโมมีในใจมันมีแต่ความว่างความสบายความลงสติตั้งมัน่นสมาธิแข่งตัวที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าอยู่ในครบมวลเลย หลังจากที่ขน้อยนนขน้อยจึงเข้าใจว่าโอ้นี่ว่าความหูสึกตัวนี้โอ้นี่มันสัมมาทิฏฐิมันเบ้าออกไป น, นู่นนึงมันก็โอ้นั่นเป็นบัญญตัติเข้ามาหูสึกตัวซะนั่นทุ ก, ทกขน้อยเลยเข้าใจว่าโอ้ตัวปรามัดเป็นตัวยกแขนขึ้นหูสึกตัวอย่างนี่แหละมันสิแก้ไขหมดทุกอย่างเองทุกอย่างที่ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทิฏฐิอย่างว่ได้เลยเวทนาเข้ามาความหูสึกตัวมันแน่นมันกระโบปุงไปหาสุขหาทุกข์เขาซิมมิตันหาอุปทานเข้ามา สัญญามันกือสิบโมีอดีตอนาคตเพราะว่ายังโตสัญญาเนี่ยถ้าเขาคึ้ไปหาอดีตมันกือสิปุ่งต่อไปอีกเขาปุ๊บขึ้ไปหอนาคตมันกือสิปุ่งต่อไปอีกเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันโบสิบโมีนะ่ะพวกนี้สิบบริหิทธเบียกเลยเวทนาสังสัญญาสังขารกระปุ่งอย่างโบได้โอ้ขคน้อยเลยเห็นจริงที่ว่ามันเป็นแค่นี่เนาะเอาแต่ความรู้สึกตัวอย่างเดียวนี่แหละความรู้สึกตัว ก็น้อยเลยเข้าใจสติสัมปสัญญามันเป็นจัิงส่เองเนาะมันมันสามารถที่ว่าแก้ได้ทุกเฮาเฮาเฮาจึงมาเข้าใจความหูสึกตัวสื่ อ, อ, อของหลวงพ่อคำเขียนมันมีอนุภาพขนาดนี้เนาะข้าน้อยเลยว่าโอ้บบต้องไปไปขึ้นหาบัญญัติหรือไม่เหงมดแค่หูสึกตัวให้มันให้มันให้มันละเอียดให้มันให้มัน คือหลวงพ่อมหาดิเรกเพิร์นบ้างว่หู้ให้สัตว์ตวหู้ให้สัตว์สตวาน้อยเลยเข้าใจว่าโอ้มันสัตวสัตว์นี่มันสามารถมีอนุภาพเหนือกลัวที่ว่าเขาไปคืดคนไปอย่างเองมันนักออกมาเองแล้วมันเข้าใจแบบเลิกเลิกแล้วก็ยังไปเข้าใจคําว่าพุทธพุทธะผู้หูผู้ตื่นผู้เบิก บ, บานเขาได้ยินแต่คําว่าพุทธ แต่เวลาใจมันตื่นนี่มันต่างมันเข้าใจที่ว่าโอ้มันตื่นมาเข้าใจนี่แต่ละมือที่เขาทังลงไปห้องหูสึกตรวนี่มันตื่นจิตที่มันบวตื่นมาดนานะฮะนี่มันตื่นขึ้นเธอละเล็กละน้อยมันตื่นขึ้นจนเต็มที่แล้วมันทิเข้าใจเองขน้อยจึงว่าโอ้แม่นอิหลีนอดใสหลวงพ่อเทียนขน้อยบวสงสัยอย่างเลยว่า<ม>ตื่นเข้าไปเรื่อยๆมือเขาทังลงไปหูสึกตัวตื่นท่อนไปท่อนไปตื่นจนกลัว ความตื่นน si ี well Whoa, oh, no. m an, m ่แหละคือวิสามันทีททำลายอวิสาที่เขาบ่มีมาตลอดชีวิตเขาจนอายุขน้อยห้าสิบปีมาพ่อเรื่องนี้จึงว่าโอ้มันเป็นจั่งซีเนาะมันมันแค่นี้เองมันเมื่อมันเมื่อมีมีสติสัมปันสัญญาอยู่หูสึกตัวอยู่เวทนาบเกิดเวทนาบทุกสัญญาบทุกสังขารบุทุกวิญญาณบุทุก โบมีตัวโบมีตนมีแต่ความเป็นอนัตตาแล้วทุกมันจะไปเกาะ อ, อยู่วันใดนี่วะที่ผู้ทุกคนต้องการปุ่นถูกนี่ที่จริงมันมีอยู่แล้วสภาวะที่โบมีถูกโบมีสุกนี่แต่เขาไปวิ่งหามันวิ่งหาสิ่งที่โบมีตัวตนขน้อยก็เลยมาเข้าใจเมื่อวานนี่แล้วก็โอ้มันเป็นแค่นี้หายสงสัยแล้วก็การปฏิบัติของขน้อยก็เป็นการปฏิบัติที่สบายเพราะว่าปฏิบัติโบต้องการอย่างหมดโบอยากได้อย่างหมด เพียงแต่แครนี่นี่เนาะขน้อยมาเข้าใจว่าแต่ว่าซาถูกคุณครูบาอาจารย์ข้น้อยก็เลยเข้าไปกราบเพลินเพราะว่ามันเป็นแครนี่นี่บอสิ่งที่ว่าคนเขาปฏิบัติเพื่อทั้งทุกสิ่งทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่ามันมันมันบ่บ่มมันหมดความอยากที่ว่าอยากหููอยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากมีมันก็นเลยได้ความสบายใจแกแครนี่แหละข้น้อยเมสิตแกเขา มันสิม่หูตัวนี้ความิดการปฏิบัติการอนค์กรปิการ์มั น, ม, น, ม, น, นมันต่างกันมีอย่างมันต่างกันต่างจนว่าจ้างจนเข้าใจว่าจิตใจของเขานี่เข้าใจคําว่าจิตเป็นอนัตตา น, นั้นไม่มีอิเลอลเพราะว่าขน้อยบวาสา ม, มารถทิวาซิไปสั่งจิตตัวเองได้ทั้งแบบคำแบบจิตตัวเองเนี่บุอยากใส้คําศัพท์นี้แล้วต่อไปแล้วเพราะว่าจิตเป็นอนัตตาแ ท, αι, ท, αι, ท, αι, ท, αι, ท้ๆเพราะว่าเข้าหู้เขาเป็นผู้ เห็นอาการของเขาแต่ตอนนั่นตอนที่โบได้ปฏิบัติธรรมว่าเป็นคนจังไดเป็นจิตใจจังไดแล้วตอนปฏิบัติธรรมมันเป็นจิตใจแบบใดมันเป็นคนละคนมันเป็นคนละแบบที่ว่าตอนแต่กี้หันนอนบบได้กินโบได้มีความคืดหลายเนาะแต่ว่าก็ะหู้จักไปฟังธรรมมาแบบฟังระบบปฏิบัติเนาะเพื่อนว่าบ่คืบบ่เหตบ่เนวานั้นเนวนี้มันบอกมันมันกระโบเหตมันมันโบแมนสิฟังความเขา บอกว่าโบต้องคึ้นอนมันกับมันกับขึอยู่แต่กับโบหู้จักว่าวิธีใดสิสี่ซอยมันได้จนมาปฏิบัติธรรมนี่แล้วเวลานี่เวลาสีนอนเวลาสีเห็ดยังกระยาซีมีปัญหายุ่งปันใดก็ตามมันกับโบขึ้นซบอกมันไปขึ้นมันกับโบขึมันหู้จักว่ามันไปคึ้แล้วมันถูกมันกับซีลงตัวมาอยู่ในความหู้สึกตัวแบบว่าแบบ แบบเอาตัวรอดว่าสันส่าจากที่ว่าปัญหาที่ว่าที่ที่มากกเกลียวว่าสันสะแล้วก็เลยเห็นว่าเออมันโบยู่ใต้บังคับบังสาของเฮาอิลีเฮาอยากขึ้มันกัมันกับบคกขึ้เฮาโบอยากขึ้มันกับขึนฉะนั้นโอ้ความคึดนี่มันเป็นแค่สิ่งที่เข้ามาเข้ามากุบรบกวนเข้ามาในตามอารมณ์เฮาที่ว่าเฮาเฮาไปอนั่นซื้อมันโบเมนแต่ว่าตัวมันเป็นตัวมันเป็นตัวทุกข์ที่สําคัญถ้าคนโบเห็นความขึ้นท่าน มันสิไปตามมันละก็คืดตอนนั่นตอนนี่นนนไปแต่ถ้าเขาเห็นปับ๊บเขาหยุดเห็นปับ๊บเขาหยุดมันสิซอยจนละจนเป็นควนข้อมนานแหละจนเป็นนิสัยเขาเปลี่ยนจากอาวิสามาเป็นวิสามาเป็นนิสัยที่มันมีวิสามีวิสาอย่างมีวิสาหู้ศึกตัวหู้ศึกใจเขานี่แหละแล้วก็กระท้อนแหละสิ่งที่มันมันมันบธรรมะบ่ได้อยู่ไก่ธรรมะอยู่ในตัวเขาเองอยู่ในกายในใจเขานี่แหละบูดว่ากบไปบันเทิง เีวัง่วปฏิบัติการจิงนั่นอยู่ดีอยู่ดีสุากัน่น้อนยิ่งได้ยงได้ิ้ที่วีคมีเท่ยวัตอนนี้นี่ขนบอเขาเฝ้ากมดทุกคนที่มีผัวมีเมียมีครอบมีครัวเลยว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันเส่ความรับผิดชอบเขาดีขึ้นดีขึ้นอย่างทีว่าบเมนว่า ปาห่างจากกันไปหรือว่าขน้อยมีหน้าที่เป็นแม่ของลูกก็เห็นหน้าที่แม่ได้ดีกว่าเกา่าขน้อยเห็ดมีหน้าที่เป็นลูกของพ่อแม่ก็เห็นหน้าที่ลูกได้ดีกว่าเกามีหน้าที่เป็นเมียของผัวก็เห็นหน้าที่เพราะว่าเขาเข้าใจสมมุติสมมุติคือหน้าที่แต่เก่าเขาเห็ดอยู่เขาเห็ดด้วยความบังคับใจเขาตัวตัวอย่างซะเว้าแจ้งแม่ขน้อยก็นังอยู่นี่ว่า <c oughs> อยากเห็ดน้ำพ่อแม่นี่ย้อนยังย้อนอยายกได้บุญกุศล อยากกรตันยูอยากตายไปเกิดสวรรค์อยากนั้นแต่เดี๋ยวนี้ขน้อยเฮ็ดในนาทีของลูกลูกที่ควรเฮ็ดจังใดนั่นพ่อแม่แล้วขน้อยก็ว่าต้องการที่ว่าเป็นบุญเป็นกุศลนั้นออกมาโบอยากได้มันก็ได้อยู่แล้วขน้อยก็ว้าตห น, นาพ่อแม่เลยว่าขน้อยสิอยากได้หรือโบอยากได้ขน้อยก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าขน้อยเฮ็ดด้วยความตั้งใจในนาทีแต่เกาเ่ามันเฮ็ดยากเฮ็ดด้วยตัณหาอยากได้บุญแต่ใจมันอยากเฮ็ดหรือโบอยากเฮ็ดทันโบหู้ซ้ำแต่ต้องเฮ็ดคล้ายๆกับฝืนใจ แต่เดี๋ยวนี้ขน้อยเห็ดน้ำเพลินด้วยความตืมใจแล้วก็เห็ดน้ําผัวคือกันว่าสันส้นๆนาทีเมียเฮามีอย่างแต่เขาผัวสิบะเบ๋เจ้าไปเห็ดนั่นเห็ดนี่คืดแล้วสมองเนาะเป็นปุ๋งมันแตงานาทีนี่เป็นนาทีเฮาบอมันแฟ่บบอแล้ถือบอมาใส่เฮาแนวนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้นะขน้อยมาเบึงแต่ตูขน้อยสมมติว่าบอกอนะขน้อยก็เห็ดเห็ดแบบว่า เอขาเป็นผู้อยู่บ้านเขาเป็นผู้มีเวลาว่างเขาเบิงแต่ตัวเขานะ่ะจนว่าผัวเป็นผู้บ่มีความผิดเป็นผู้ที่ว่าเพราะว่าเขาบ่าได้ไปเบิงสังเกตเบิงอาการของเราเลยเล่วสีใจให้กับเรื่องของเราขน้อยมาเบิงว่าขน้อยนี่เป็นจังใดตอบล่างเธอกรบอกหูซ้ำว่าเราเเวาถือบ้าแมนหรือจังไดเขาเบิงแต่อาการของเขาเพราะว่ามันตรวจสตินี่นะสัมปัชญะเวลาสรั่งสร้างได้จนถึงที่มันแล้ ว, วนะ มันสิเข้ามาเองเวลามีสมุตดภาษะคนมาให้ใส่เขาน่ะทางใส่ปึ๊บนะเขาบุษันได้เข้าใจเลยว่าเขาให้มีเหตุหรือบ่มีผลน่นะเขามาบึงมันมาสติเข้ามาหาหาจิตโลดปับ๊บสติคือคือพอแม่เนี่หละมาหักษาปึ๊บจิตมันสิทํางานของมันว่านี่คนสมนี่คนติถ้าเฮาหู้อาการตัวนั่นปึ๊บมันสิลงตัวทันทีเวลาคนสมมันกระโบเหินเวลาคนติมันกระโบเสียใจ มันลงมาอยู่สายกลางอย่างที่ว่าแต่เขาต้องรู้สึกตัวเลยถ้าถ้าโบนั้นเขาไปน้ำมันนำนอาการไปเลยแปบลบว่าปรุงไปยางเป็นเสียใจดีใจไปแต่ถ้าเขาเขากับเข้ามาอายุในใจเขาปุ๊บมันสีลงสายกลางแบบแบบอตัตโนมัติแบบว่ามันบอ่อเอาทั้งตัวสุกมันบ่อเอ๋ทั้งตัวแต่ว่าถ้าว่าขน้อยลองไปพุทธสุบแบบแล้วถ้าเขายังยึดตัวสุกนะเขายังแากได้ตัวย่องตัวดีใจอยู่วันนะ่ะตัวทุกเข้ามาเขาสิมัน ส, นสิเป็นอาการแบบเดียวกันเลย สันั่นเขาต้องกำหนดหูละตัวสุขให้มันได้ตัวดีใจให้มันได้สก่อนก่อนเสีลาถูกถ้าเขาไปยึดตัวนั้นปับ๊บตัวทุกข์มันเป็นอัตโนมัติเข้ามายังพราอสันนั่นขาน่อยเลย บ, บ่ได้สนใจน้าเรื่องทุกหรือเลืองสุขนี่จนเป็นอาการที่มาสําคัญเพราะมันเป็นอาการอันเดียวกันย่างย่างที่ว่ามันหุ้มเมื่อโลดนะเวลาดีใจปึ๊บมันกระสีหุ้เมื่อตัวปับ๊บมันมัน มันสยบลงไปอย่างแบบว่าปกติโบพิษอย่งกับอาการถูกเลยฉะนั้นมันมันยากเนาะที่สี่สี่สี่บอกให้คนเห็ุโลดนะนะขน้อยเคยใช้วิธีนี้กับแมยกับน้องกับนุงกับมดทุกคนกับครอบครัวแต่เขาเจ้าเบิงนาแบบบโบเข้าใจโอ้ขน้อยเลยห่วว่าอันนี้มันมันเกิดขึ้นกับผู้ใดกับผู้นั่นจึงเหตุได้ขน้อยเลยเลยเศร้าแล้วเดี๋ยวนี้โบโบอยากว่าเว้าวจังน่อยก็ล้างค้นกับโบเข้าใจเฮาแล้วเพิ่นขึ้นเป็นแบบอื่นไปแล้วมัน กะสิเป็นบาปแกตัวเพิ่นเพราะว่าเขาอยากให้เพิ่นพ้นทุกแต่แท้พอเขาได้พ่อในสิ่งที่เขาเขาเขาพ่อแล้วแม่กระทั่งกับลูกแต่ก่อนนาะถาว่าลูกวันนี้มาหัวหอดลูกนะ่ะสิ่งที่ผูกพันเขามีหน้าทีแม่เขาต้องสั่งสอนเขาแนวใดผิดแนวใดถือแต่เกาโบเมนแต่สั่งสอนล่ลาเดธขั้นสั่งสอนแล้วอยากให้เขาเปรินอยากให้เขาได้เอาใจเขาพุ่ไปใส่ใจเขาเดี๋ยวนี้ข้าน้อยบอกลูกบอกแล้วกระทิมอีกได้ฮะเพราะว่ายัง เขาเาบวไปยึดมั่นในคำว่าว่าแม่นะ่ะลูกต้องปิดของเขาต้องเฮ็เดอร์ซันอย่างซี่กน้อยขั้นอันนี้ก็เว้ยความซือ้อเขาเจ้าฟังเนาะถ่าว่าขเขาจะมูกสิเสียใจพราะเขามันบวมมีความหักนะหักแบบว่าแบบยึดมั่นนะหักแบบแบบมันตางเป็นคนละคนเลยบหูเสียวหักแบบว่า แบบว่าเขาเข้าใจนะว่าสันสว่าเขาต้องตายจากกันนะะตายจากกันแล้วกรบุมีพูดต้องไปเบื้งไปเฝ้าขเขาไปมันตายจากทั้งๆ ท, ท, ที่เขายังเป็นคนเบื้งจังซี่อยู่แต่เขามีโอกาสสอนเขาก็สอนแต่ว่าถ้าเขาจะดีจะซัวนั่นมันก็เป็นเรื่องของเขาเขาเห็นหน้าที่แม่แต่เขาจะเห็นหน้าที่ลูกนั่นเป็นเรื่องของเขาแล้วมันเหตุให้ครอบครัวนี่มีความสุขความสงบลูกก็มีความแปกใจนะว่าแม่เป็นคนละคนแบบว่า มันมุมีเสียงที่ว่าเพราะว่าตัวยางซาลูคิดความผิดธรรมดาแต่ก้อนนี้มันจะออกทางปากโลดเนาะมันจิตกากไปโลดนะแต่เดี๋ยวนี้ตัวสตินี่มันเข้ามาหาจิตปึ๊บมันมันเห็นมันมันมีสติที่ว่าว่าแสดงอาการที่น่ารังเกียจนะนะออกไปใส่ลูกก่อนนะแต่ว่ามแต่ว่ามันก็ะหู้อยู่ว่าเขาพิดเขาถึงเนีใดถ้าแล้วก็สอนสอนแบบแบบความมน มีสติอีกนะถ้าเขาจะรับกันมันก็เรื่องของเขาถ้าเขาบรับพิจารณาก็แล้วไปเฮาเฮามีแต่หน้าทีเหเ็นแต่หน้าทีไปตลอดนะแล้วปรากฏว่าเหตุใดครอบครัวนี่มีความสุขความจึงว่ามาเข้าใจซับหลวงพอเทียนว่าบ้านเป็นสวรรค์มันบริเวนอยู่ที่ความห่างความทุกข์บ้านเป็นสวรรค์มันอยู่ที่ว่าเขาเข้าใจกันต่างหากเพราะผู้สืบว่ามันเอา เพระมุิกเจ้าขที่อูในหัวได้ยังใจแล้วเขาก็ให้เขประเภทเกิดความทุกข์เพราะมุสิกื่อมันหายไปตอนไหนเ่ราจะม่แพงหรอกเพะมุสิกเขาเคยวงเคยสั่เคยสอนเคยวาเป็นต่เรื่องของมุสนี่มันหายมันจางไปตอนไหนเพอพราด้มานจางไปเมื่อสติเขาติมแล้วเพราะว่าเมื่อเมื่อขน้อยปฏิบัติประมาณเจดวันพรประมาณเจ็วันหลังจากเจ็ดวันแล้ว ธรรมดาขน้อยเป็นพ ญ, ญาติไต่ร้อยไต่ร้อยนี่เป็นคนขี่โมโหเอาแต่ใจตัวเองเห็นแก่ตัวเนาะคว่ำตัวนี่นี่สนั้นเมื่อมีคนมามาว่าอีซะมาว่าแล้วเสียใจเห็นธรรมดามันโตอตอบไปแบบบ่มีสตินะแต่ดุนตัวนี้มันปุ๊บนึงเข้ามาใจแบบว่าขน้อยตกใจขน้อยเห็นอาการเสียใจภาพเข้ามาใจขน้อยเบิงอยู่ เมื่อเขาบวบบบบไปคำนวณหาการที่ผู้ทรงทรงขน้อยถือว่าผู้ทรงทรงสัญญาณให้เขาเสียใจเสนะทรงอารมณ์มาัะเมื่อเขาเข้ามาบึงสติเขาเพิ่มเห็นอารมณ์เขาพี่นะเขาบวบไปบึงเขาเขาบึงเขาเขาเห็นใจเขาเพิบว่ามันมันเสียใจเพิ่เขาเขาฟังเบึงความเสียใจน้อยหนึ่งนะมันกระดับมันก็หายไปโอ้เวลานั่นน่ะ สมองมันสิทางานทันทีมั้ยสิว่ามันบูมีทิอย่างเทียงมันเห็นการเสียใจดับลงไปลายเทือต่อหลายทีทุกอย่างเข้ามามันกกลายเป็น practice เแบบนี้ซิมีอาการนึ่างเมต ก, กิเลตันหาลูกกดลงทิฐิมนะทุกอย่างเข้ามานี่มันการเปลี่ยนการม้วนในแับนี้เพราะว่าเมียงเพราะว่ามันเข้ามาเราได้หูหนะเราได้เบึ้งใจเราเราได้เห็นอาการการนั่นแล้วโอ้ขำน้อยเลยว่า เลยโลบ ก, กดลงทิฏฐิมานะทุกอย่างเนยคลาคัดตันหามันเป็นสภาวะธรรมหนึ่งที่สอนเราโดยสะโพมูโหนี่นะใจใหายนี่นะผู้ใดที่มีตัวนี้โทะจริตนี่มันสบายที่สุดเพราะาอากาศนี้มันปุ๊บเข้ามาเพราะว่าขน้อยได้สัมผัสตัวนี้ก่อนหรือว่าขน้อยสิเป็นคนมีโทวจริตขน้อยกับบะฮูเพราะว่าเพราะว่าไตลอยมันมันมันแทงอิลิตัวนี้นี่ถ้าว่ามันแทงเข้ามาปุ๊บมันกระทับใจเขาตึ๊บหนึ่งสตินะ เมื่อมันพอแล้วมันจะเข่าปุ๊บตูโมโหมันจะดับปั๊บโหลดเพราะว่าถือว่าตูตูโมโหนเป็นอกุศลซะแต่ตูสติมันมันหูทันปุ๊บมันตกใจหรือว่าจังไรบ่ผิดเนีงยกับคำว้าหลวงพ่อเทียนหนูกับแมวหะแหละขน้อยเห็นแล้วหนูหนูหนูหน่ะมันเป็นอาการที่ว่าปุ๊บเข่ามาเป็นกิเลสวั้สิซะเป็นแนวคือเป็นทุกอย่างที่ว่ามันโลกดลงอย่างแต่แมวนี่น่ะมันคือตูสติ เพนบอกว่าเลี่ยงสติให้มันตุ้ยมันพี้ยนเมีนแล้วสร้างสติมันแองงหามันเมื่อสติเข้ามาปุ๊บแล้วเฮาบริหิ็ธอย่างดอกมันเป็นแต่อาการซื่งมันหายไปมันลืมสํานักสิ่งที่มันได้พ่อได้เห็นได้มันหายสลายไปสิ่งนี่แหละขน้อยเข้าใจว่าถ้าผู้ได้สร้างมาตนถึงตนนี่แล้วนะจีก้มกาบลงพระพุทธธรรมพระสงค์นี้ย่างย่งถึงใจขน้อยเคยกราบแต่เก่ากาบพอว่าถึงไปละมูกราบก็กาบลงไป มู่ผ้าเห็ดยังก็เฮ็ดลงไปแต่เดี๋ยวนี้เวลาเขน้อยกาบลงแต่เถื่อแต่ละเถื่อลงไปนะคล้ายๆกับพระบาทของพระพุทธเจ้ามายืนอยู่หันและพระธรรมของพระพุทธเจ้านี่ทวีพันตายมาตั้ง2500ปีแล้วนี่พานเสนอปัญญาศัพส ม, มุติวันนี้พานกันยังเหลือให้เขานี่ยังได้ศึกษาให้เขาพ้นทุกอยู่และท่าขาดพระสงฆ์ที่เพิ่นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติซอโ บ, บมาแนะนํา เฮากระโบหู้เลยพระธรรมกระสเป็นแค่คำพีไหวอยู่เฮากระสิบุปผโสข้นทำเหียนถ้าโบมีพระสงฆ์ที่ว่าเพิ่นมามาบอกมาสอนมากล่าวมาบอกเฮาจึงซีแค่นะแล้วโตัวสำคัญที่สุดคนที่ว่ายังติดสุขที่ว่ามีแต่ตมีความสุขว่าแต่มีความสุขความสุขอยู่หันมันเป็นสุขจอมปลอม น, นะสิโบามาซอกหาสิ่งเหล่านี้ถ้าผู้ใดที่ว่ามีทุกแค่นนะ นั่นแหละเป็นเวลาโอกาสดีของเฮาแล้วที่ว่าจะมาหาธรรมะเฮาสิพ่อตัวนี้แหละเห็นให้มันคักๆซิเห็นเวลาเฮาถิมถุกได้เห็นเป็นจังไดรถิมขน้อยได้พ่อแล้วเห็นแล้วเห็นในสิ่งที่ว่าเวลาถิมถุกแล้วโบผิดอย่างกับของหนักๆยิ่งผู้ใดมิถุกตัวอย่างแบรกของร้อยเภาวนี่นะกระพูนหนึ่งแบรกของสามสิบเภาวนี้นะภัยซิทุกขกัวกัน แล้วเมื่อผู้ใดสห์ห็นก่อนว่าน้ำหนักตัวใดมันไหลนะมันจะยน่นถิ่นบาดเดียวยน่นถิ่นแบบโบมีความอะไรอาวรเลยแต่ถ้าผู้แบกสิบสาวผ้าหันสีคือผู้ติดสุกอยูนะ่แล้วเนาะกต่สี่พอแบกได้กต่สิแบกยี่หันแหละแต่ถ้าว่าผู้มันทุก ค, กคักนี่เวลาพ่อตัวนี้แล้วมันโบนมีอย่างทุกกับสุกอันเดียวกันเ้าน้อยบอกได้แต่ท่า น, นั้นเรื่องไทยร้อยที่เคยเป็นทะไทยมาปฏิบัติมันเดิม่มหาย เรื่อกินยารักษาจนชั่วโมงนี้มันหายขาดหรือเป็นไทรอาการไทร่อยของข้าน้อยได้แต่กี่ได้กินยาเป็นประจําแปลว่ากินจากสิเม็ดเพราะว่าไตร่อยข้น้อยขึ้นฮอดสิบสอด็อกเตอร์วายังมีชีวิตอยู่ได้จังไดเพราะว่าคนเฮามีไตร่อยแต่หนึ่งถ้าว่าขึ้นฮอตหฮอด6นี่กับโอนอโม่แล้วเขาว่านะของข้น้อยขึ้น12เขาเจ้าว่าข้น้อยตายได้ทุกเวลาแต่ว่าข้น้อยมาปฏิบัติธรรมนี่แล้ว มันเกี่ยวกับใจนําไตรอยในเขาว่าดร์ว่าต้องทําใจไปสัตวแต่เขาก็ทําบได้เนาะเ้าบอกโบปฏิบัติทำเมื่อมามาปฏิบัติทำแล้วมันเมื่อใจเขามันสงบพนะไตร้อยมันก็สงบหลงดร์ว่าขน้อยเห็นได้จังใดเป็นน้องโมเกือบสองปีแล้วโบได้กินยาอย่างเลยแล้วเดี๋ยวนี้เท่าสูมือนี่ทนต่พอิทนโบได้ปฏิบัติทำมันดรให้เซายามันมันเซาโบได้ เ่ลามันมันเศร้าหยาแล้วมันเมื่อยเมื่อยมันใจสิหลุดใจสิขาดต้องยาดต้องอยู่กระเป๋ามือทั้งซันทั้งเซนต้องจกเอาอยามันยัดใส่ปากไว้แล้วก็ไขขึ้นเพราะว่าเอาพังยงา ม, มสงบอารมณ์สงบสิ่งที่มันโลภโขโมโหนะสงบนี่มันต้องทรมานนี่ถ้าบุมีธรรมะในใจนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่บุมีอย่างเลยยิ่งเห็นอาการแล้วนี่ยิ่ ง, ย, งยิ่งคล้ายๆกับว่ามันเป็นครูบามาสอนเขา อ, อีกแบบหนึ่ง เพราะว่าอารมณ์แบบนี้มันเห็นได้ง่ายจึงว่าดรว่าเจ้าไปเฮ็ดยังเจ้าจึงเป็นยังซี่ขน้อยว่าเฮ็ดมิเดเทชันเพินเ่นก็นเลยว่าวัดเอลเวอร์ยูให้เฮ็ดต่อไปเขาว่าสิ่งใดที่เจ้าเฮ็ดอยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซฮ์ยังกระยาเพราะว่าไตร้อยขอ ง, ขอ ง, ของเจ้าของเจ้าเป็นป ก, กติแบบว่าโบโบโนอมโมูอย่างแบบว่าเหลือเสื้อนะมหัศจรร เมริโกเมล่ะโดยกระ บ, บุ่มิษอย่างกับที่ว่าเฮาเห็ุธรรมะนี่แหละมันเป็นเมริโกอย่าลีถ้าว่าใจเฮาเฮาได้ใจแล้วหนะกายนเนาะเฮาเว้าทรัพที่ว่าจิตเป็นน้ํากายเป็นแรงนะถ้าใจเฮานี่นะมันมันสมบูรณ์แล้วนะห่างกายมันก็มันก็ได้ตัวนึงไปห่างกายมันก็สมบูรณ์ไปเติมตัวยางคนที่ทุกทั้งใจทั้งกายที่จริงกายมันบูมีอย่าง มันพลอยโซมลงไปตื่มีอีกเพราะว่าใจมันถูกแล้วมันก็ะส่งสัญญาณไปหากายหู ก, กับน้ำเนี่ยนะ<ม>อย่าไปยึดไปถือมันถ้ายึดถือมันแล้วกระถูกเพราะจึงเด็เขาก็มีหูมีน้ําแล้วเขาหูอยู่แล้วว่าหู ก, กับน้ําเป็นก่องทุกเขาหลีกบกพ่พ่นอยู่แล้วซนั้นเขาก็ะหูมันเสยๆเนี่ยหูซื่อๆนี่แหละหูจุดนาที่สุดท้ายนี่แหละสาธุหนสาธุแล้วก็นุมโมทนา n ํา t h u ทุกคนที่มีโอกาสได้มาปฏิบัติหนีมเฮาเป็นบุญแล้ว ที่ได้มาพ่อพระสง่์ที่ว่าเพิ่นมามาบอกเขาในสิ่งที่ถืกต้องแล้วขน้อยผูน้นึงที่ว่าจะเอาคอเป็นประกันพอว่าขน้อยได้หู้ด้วยตูวขน้อยเองแล้วถ้าเสียขน้อยปฏิเสธตัวนี้ข่าขน้อยขน้อยจะตายถิ่มฟีฟีพอว่าขน้อยยอมหับเพราะว่ามันได้พ่อด้วยตัวเองแล้วกันยังบุญญาตอีกในความตายนี่เพราะเขาต้องพ่ออยู่แล้วมันยอมแต่เก่าเป็นขุนขี่ญานิความตายเลยญานจนว่า ม่อย่างก็ม่อย่างน้อยหนึ่งในตัวเองนี่มันปุงุงมันแต่งย่านแต่ว่าเดี๋ยวนี้ซัดจะทำตัวนี้เข้ามาแล้วนะความตายก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาอยู่บนไหนเฮาต้องพอแต่เก่ามันก็หู้ตัวนี้แต่ใจมันบอยยอมหู้ใจมันบเหติตปากในเบ้าได้โอ้ความตายเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาอยู่ไพ่ก็เบ้าได้หมดผูดเถ่าผูกแกแต่ว่าถาดตัวนี้มันโบเกิดขึ้นแล้วนะ ขน้อยนี่ยิ่มอยู่เวลาผืนเบ้าว่าโอ้ยป่งแล้ววางแล้วเปิดความตายเป็นธรรมดาขน้อยเบิ่งแล้วก็เข้าใจว่าถ้าว่าตัวนี้นี่มันเป็นเป็นเป็นเป็นเบ้าออกมาจากปากกับเป้าออกมาจากใจมันต่างกันถ้าจิตพุทธะบวตื่นแล้วมันมันเป็นไปเลยถ้าจิตพุทธะตื่นแล้วโบต้องเบ้านะมันก็ะหู้อยู่แก่ใจว่าความตายเป็นธรรมดาโบต้องเบ้าออกมาดอก มันหับพูนี่นะบ่พู้จะเอาตัวดีนี่ไปบอกผู้ใดว่าเวลาใจมันหับพูนี่นะมันเปลี่ยนขน้อยขน้อยงงเลยว่าเป็นอยังที่เคยญ่านพีกับบ่ย่านที่เคยย่านตายกับบ่เคยญ่านที่เคยมันเป็นคนละคนแบบว่าเออมันเห็นได้กับตาเลยว่ามันบ่เม็นธรรมดาว่าอันรูปเป็นอนัตตาจิตจะน้ําเป็นอนัตตานี่พ่อแล้วกัน้อยพ่อแล้ว ขอให้ทุกคนเดินไปถึงตัวนี้มันบุญยากถ้าว่าผูใ้ใดปฏิบัติให้ได้ความต่อนเนื่องนี่แล้วมันบุญยากมันพ่อแท้ๆพ่สูจน์ชอยกันเ ข, เข้ามามาพิสูจน์ให้เพราะว่าขน้อยเฮ็ดขันขน้อยตอนแรกขนันบวเสือเพียงแต่พี่สูจน์สื่ อ, อแล้วแบบ น, นี้ความพี่สูจน์ของขน้อยมันมันได้ผลแล้วคนขน้อยเป็นคนซื่อแล้วก็ว่าออกมาซื่อซะนั่นเมื่อขน้อยพี่สูจน์พ่อด้วยตัวเองขน้อยก็จึงกล้าว่าให้เมตุกคนฟัง เออซอยหลวงพ่อยินเดยโดยโดยโดยข้าน้อยกับอันนี้เป็นตัวหนึ่งทั้งพ่อทั้งแม่เอาทั้งพ่อทั้งแม่เนี่แหละขน้อยแม่กับยูนี่แหละแรกแรกเพิ่นแกมีทิทิมนาอยู่ตอนขน้อยนั่งเว้าเพิ่นเว้าขน้อยเนาะนั่งบีเพิ่นวะแม่ก็นั่งยูนี่แหละเฝ้าต้นหน้าเพิ่นโลดเจ้าหามาปฏิบัติธรรมะแค่สงสามเดือนแม่บอกเจ้ามาฟังธรรมะ แม่นีฟังมาเศร้าวกว่าปีแล้วเพืน่นว่าเจ้าบัวเคยนางฟังธรรมะจักเถือ่อเจ้ามีแต่ว่าต้องไปทํามหา ก, กินเสียเวลาแล้วเป็นอย่างเดียวนี้เจ้าคือมานางสอนแม่เพืน่นว่าอันนี้แม่ก็นั่งอยู่ทั้งนี้เพราะว่าเป็นตำอิทนะเวลาเข้าใจตัวนี้นะเวลาแม่เบ้าโทรศัพท์นะเพื่นล้มเหลืองนั่นเรื่องนี่นะเอา้าผิดแนาแล้วขน้อยสีเตือนคอยๆแบบว่า อันท่นทีมาปฏิบัติทำไปซอกว่าวเรื่องผู้นั่นผู้นี่หู้อยู่ว่าเป็นลูกเทว่าบุควรแต่ว่ากะจะเตือนนะเนาะพรความหักน่ะแต่พิทเพิ่งรับโบได้เพิ่งขนาดนี้เละสามโบพอเพิ่งยังวะเจ้ากับข่อยปฏิบัติทอกันนี่แหละยกมือนี่ก็ยกทอกันธรรมะนี่เจ้ากับ่บได้ฟังหลายทอกข่อย โดนไปโดนมาจักเอากันยุ่จังสั่นและเธอละเล็กละน้อยให้เพื่อนว่าวิฟังอีกแล้วเพื่อนเป็ี่ยนจังใดเพื่อนหูสึกจังใดหลังจากหลังจากที่ว่าพัฒนาหลังจากที่ว่าปฏิบัติมาได้โดนมันเปลี่ยนตัวเองนี่ได้บุเมนแต่แต่โคมเบ้าได้มันเปลี่ยนจากขน้อยที่ว่าเฮ็ดจังใดกับเพื่อนการปฏิบัติของขน้อยที่เฮ็ดโตเพื่อนโตครบตโตครัวเพื่อนก็เลยยอมรับว่านางบีเราเป็นคนละคนพอกลับมาพอกระถาม เป็นจ oh, ังได้ไม่ออกจะอยู่ใกล้สิทธ์นางเบ๋จะเป็นจังได้โอ้ยเพิ่นกะว่าเขาเราได้ลูกผู้ใหม่เราเป็นคนละคนแล้วนางเบ๋นี่เดี๋ยวนี้โอ้เพิ่นกะเลยว่าพอเพิ่นอ่านปะไตปิดกจนจบสี่สิบห้าหัวเนาะพอโอ้ยเพิ่นเลยว่าหลังนางบ๋เราพ้นทุกแล้วเพิ่นเพิ่นเพิ่นว่าข้น้อยกับโบงข้น้อยก็มาเบิงเล่ว่าเออมันก็สีคือคืออยู่เนาะเพราะว่าทุกมีแต่ข้น้อยบกก็ว่าได้ไปทุกน้ํามันแล้วน้าอาการเหล่านั้น สนั่นขน้อยจึงว่าบอกมดทุกคนว่าถุกมีเฮากระบอกถูกสุกมีเฮากระบ่กสุขเอาของสองอย่างเป็นอันเดียวกันให้มันได้มันจึงสิ่ผึงความสุขที่แท้จริงแต่เก่าขน้อยพยายามหาแต่ความสุขที่เป็นส ม, มุตดสนั้นหลวงพ่อถามคําถามนั่นออกมาเมื่อ น, นั่นว่านางเบสุข <laughs> กับความจริงเป็นอย่างไดก็น้อยจึงตอบได้ทันทีว่าสุกเป็นแค่ของส ม, มุติ ที่ว่าคนเขาเนี่ไใยฝันหามันอยู่ว่เศร้าแม้กระทั่งการปฏิบัติธรรม ก, ก, ก็อยากได้สุขอยากได้สุขอยู่ถ้าเขาปฏิบัติถึกแล้วนะสุขเขาก็บอเอาดอกเขาสิบอเอาทั้งทุกข์ทั้งสุขมันชิเหนือของสองอย่างนี้มันเหนือนมันเหนื อ, นนนอนแท้ๆและตรงนั้นแหะเขาจึงได้จิตใจที่ว่าเป็นสุขที่แท้จริงที่คนต้องการพออยู่ตลอดคือเรื่องของการปฏิบัติเนี่ย เมาบอกเลา ว, ว่าต้องต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองพระพระุทธเจ้าบอกเน้นๆ น, น, เ, น, นนะเน่นว่าให้พิสูจน์ด้วยตัวเองอย่าไปเชื่อนะนี่แต่เขาก็บริได้ฟังพื้นเพราะบันได น, นะเขาก็ยังเฮ็ดน้ำทีพื้นบอกมามันก็เลยเกิดมีความเสื่อไปดังพิษหลายเนยพุทธศาสนาเขาได้ต่างไปอย่างในประเทศเมืองไทยเมืองลาวเขานี่มีแต่ศาสนาเสือ่อบริได้พิสูจน์ แตเข า, าอยู่ทั้งตะวันตกเลยมันทำเนียบข้าเจ้ามักพิสูจน์เขาก็เลยได้คนที่อยู่ทั้งนี้เนี่ยหมักพิสูจน์เขาก็ได้นิสัยน้ำข้าวเจ้าบรนเทามันมีพื้นแห่งความเสีอเสีอตั้งแต่เสืยผีเสีอสางเสียเทวดาเสืย อ, อินเสียก้มเสียหลวงปู่หลวงตาเสีอขวัวอาจารย์มันเป็นวัฒนธรรมของเขามันก็เลยตัวนี้มันเป็นส่วนดีของวัฒนธรรมเป็นส่วนดีของศีลธรรมแต่ว่ามันเป็นส่วนขัดขวางต่อศรษธรรม ถ้าจะว่าไปตัวสัทธาแบบสมมุติหรือสัทธาแบบที่ บ, ว, บวตรงก็เป็นสมาธิทินะเพราะสัทธามันมีสองอย่างสัทธาแบบมิใฉ่ทิ่ทีเนี่ยมันไปคัดขวางเสียจะทำแต่สัทธาแบบสมาธิที่นี่เสื่อแล้วพิสูจน์นี่ว่งเนี่ยสาคัญแต่เสื่อแล้วบ่กพิสูจน์นี่ถือว่ายังเป็นมิใฉ่ทิ่ทีอยู่สัทานั้นแต่เสื่อแล้วพิสูจน์พร้อมนี่มันเริ่มเป็นสมาธิที่แล้วนี่เพราะฉะนั้น ก็เรียกว่าผู้ใดก็ตามว่าถ้ามาเหตุทางวิธีการนี้แล้วมันจะเป็นไปตามนั้นแต่ว่ากลัวจะไม่เข้าใจนี่ยังนั่งเบนยังยังไม่เข้าใจไหวกับหลวงพ่อด้หลวงพ่อสู้มาเข้าใจนี่ไซเวลาเก็บเศร้าปีมันนะเพราะอย่างเพราะว่ามันสั่งสมไปของบอดีเมื่อหลายนะสูเชี่ยร่างออกร่างออกร่างออกอืม ไม่ของบุดีมันก็บูมเอนซันธรรมดาด้เป็นตะกรนเป็นตะกันเป็นสีเป็ น, ปนแคบยิมันจะกลายเป็นหินวนออไปแต่ออาศัยความเพียรท่องเจาะขัดท่องเจาะขั ด, ขดอยู่บนเ้านะบัดไปเห็นพื้นเดิมแท้ของจีลวโอ ม, มันมันมีดีได้เนี่ย แต่เขาก็คืออยากที่จะบอกคนอื่นถ้าคนเดินที่เขาหนาคือเขาเนี่ยเพื่อนโยมมีความบ่มีความเพียรคือเขาเนี่ยมันจะเป็นไปได้ว่เน่ยเขาถึงถึงคนที่มันมีอารมณ์ต่างๆนี่บูรีชน่นคนหนานี่มันเริ่มจากตาากกัวมันกันหมดจตหนาสําไหนหนาหน่อยหนาหลายเนี่ยถ้ามีความเพียรแล้วเนี่ยหนาหลายบนแดมันแก่หมดแต่มันจะมีความเพียรอย่งสั่นบ่ปุริเจ้าพุทธเจ้าวิริเ ย, ยนะทุกขมะจติติคนที่จะพ้นทุกได้ด้วยความเพียรเด้อ เพื่นบอกเลยว่าคนเียวพนุโดยสติโดยปัญญาโดยสมาธิได้อย่างพุทว่าเด้จะพ้นถูกเด้อดความเพียรแต่คนจะบริสุทธิ์ได้โดยปัญญาคนจะตั้งมั่นโดยสมาธิคนที่จะหูโตได้คือมีสติเพื่นวาเปนนักุแต่คนเดียวพ้นทุกได้โดยความเพียรนี่เขาเรียกว่มันใจมันใจว่ามันต้องใส่ความเพีย ร, ตรแต่ความเพียรมีอีอกได้นะความเพียรถือความเพียรพิษอีกได้หลายครั้งที่ใส่ความเพียรพิษหลงทางไว้ เอามาเมื่อใสติว่าเฮาไปทั้งถือทางพิษเนี่ยตอนที่มาปีสองห้าประมาณหนึ่งหนึ่งเก้าแปดสี่น่เก้าป้าเนี่เนาะถ้าเป็นธกิดก็ได้เอามาไปจากพรรษาที่วัดภาลาดปีนั่งปีสองห้าเนี่ยที่นี่ในพันษามันบริยุทธ์พอวดพาาดัดภาาหลดหล ด, ลดมันพานหลายคนกับว่าไรถึงจะอยู่วัดปลาแต่ว่ามันก็อยู่ไกลทางเอามาเลยสัตหะไป ไปเข้าพระนิสาไปสัตหะไปปฏิบัติอยู่บนวัดโดยปุย๋ยห่างจากวัดสาราลาดไปยี่สิบกโลต้องเดินทางขึ้นไปทางภูพีกราเชิดอิเวตไปวัดโดยปุย๋ยไปทุกเช็ดมือกลับมาเช็ดมือกลับมามาสัตหะมาปฏิโมกี่มันไม่อยู่เธอแหลกเขาก็ถามว่าเอ๊ะถ้าสมุทรเขาอยากลับมามือสิบสี่คำเนยมันบ่มีหลด เหตุยังไดพราะจากบรนเมียมหาภูพิงจากภูพิงมหาวัดภาลัตย์ี่สิบโลถ้าเกิดลดมันมดเนี่ยเขาก็มาบาทานันเขาจะเห็นยังไดมันก็ศึกษาว่าจะมีทางลัดใดบ่อยจากวัดโดยปุ๋ยมหาภาลัตเนี่ยเขาก็ศึกษาทางลัดถามผูนันภูนีเขาบอกมีอยู่เขาก็เลยทางสันท่าหากว่ามีทางลัดเนี่ยถึงบอมีโลถเขากำวัดได้มันก็เลยได้สีใจเดินเดินทางลัด บัดมาบางจุดเนี่ยมันเป็นซีแยกไฮแยกนั่นบอกแยกไว้ทั้งแยกนีอ้าวเขาบอเคยเดินผ่านทางนี้เขาจะแยกไว้ทั้งไหนเดะถ้าถ้าสินใจเอาไว้ทั้งนี้บัดไปพ่ อ, อค้ทนทั้งนาทั้งนี้ไปบัดฝรั่งโบม้นไปอีกทางนึง่งคนน่ะวันที่ข้ามผู้ไปมีผู้เป็นเดย์เดินทางกลับมามาตังโดนไม่ทางตดนไมน่ที่นี่พอมาตังโดนหันมันบบพ อ, อค้นนี่มั น, น, ม, นายยา 4, มันจะไหลายแยกสีไแยกเขาจะไปทไั้งใด เขาบอกอยู่ไปทังนั้นทางนี้เขาว่าถ้าสินใจถ้าสินใจพีดอีกไปอีกพูดนึ่งวันนี้โอ้ยกลับมาเหยียบตายบัดมากเอา้าถ้าสินใจไปทั้งนี้ปฏิสามถ้าสินใจถือไปหอดนาขาเจ้าอยู่กลางพูเนี่ยถามคุณแมวทางวัดพลาลัดไปทางไหนไปทั้งนี้เขาเจ้าสี่ไปเรื่อยๆจนมาหอดวัดโอ้เหยียบตายงานั้นนะ เบียกมืดมาหลอกมาแหลกเบื่อวัวทั้งทางที่มันออกตั้งแต่เสารมหอดยามแรงทั้งทางที่ว่าทางหลัดเพิ่งหกิโลเท่านั้นหกิโลเท่านี้เอาให่สงชั่วโมงสองชั่วโมงก็หอดมันห่ดแะทางลงสัาที่นี่เิเป็นมืเบังดูพ่อยังพอเขาหลงทางถ้าหลงทางแล้วถ้าบวกกับคืนมงคาเนี่ยมันมีโอกาสบอดีไปทั้งถึกนส่นชนหลายแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นยังสั้น ที่หลงทางหลวงพ่อโยมกบคือว่ามากไก่แล้วไปสูตายด้านหนา้าเลยมันก็ตายอีหล <c oughs> ีแล้วตายเจ้ามากจ้าฝนนะมันก็ตายอีหลีแล้วเอามาคือกันไปทา ง, ทางออ น, านั้นทางบ่พอค้นด้านนั้นการที้ข้ามีกัริยานิมิตมันมีผลนีมองนี่เมื่อเขาหลงทางแล้วเขาได้ถามเพราะในทางกายทางภายนอกเขายังหลงปนนั้นมันบ่ละแต่ทางชินั้งใจเขาจะหลงสั่มไหมันบนมันี่หายแยกมันเปิดเลยลอยแยกบนเอาอ่เพราะฉะนั้นพระพเจ้าถึงให้ความสําคัญกัริยานิมิต ให้ความสํำคัญแต่ถ้ากระนิยะมิดลืมมูบอกทางแล้วเขาไปโบทังตรถึงสแสดงว่า บ, บ่มีความหยบคายบ่มียโยุทธิสมานสิการเนี่ยเขาเฝ้าไปหลดุดบ่ได้ต้องพิจารณาก่อนว่าที่ตอนที่ถามเนี่ยถามค้ดก็ต้องถามให้ละเอียดดิมันมีลักษณะอย่างไหนทางหยิบไปถึงเนี่ยลักษณะแต่ละทางมันบ่คือกันเนาะลักษณะหีิไปวัดพารานวลาไัยต้องถามคือกันเนีเวลาไปพ่อคูบอาอาจารย์ เพผนว่าหมักยังสี่ผลมันจังสี่สติเป็นสีปัญญาต้องถามเพื่อนให้คักคักไอตัวถามก็คักเราพยายามพิจนหน้าโดยเจพาของเราโทดสอบโดยเฉพาะขึ้นเออว่าโยนิโสมันสิการคือตัวปัญญาเนี่ย น, นะคือตัวปัญญาของเขาบางที่เข้าได้พอ่อครูบาอาจารย์แล้วเขาบอมวิปัญญาเอาความละเอียดจากเพื่นก็ไปว่าได้ึออ้นกันด้เพื่อนสองอย่างถึงประกอบกันกัลยาณมิตรให้ปัญญาเป็นแผนทีก็เขา้าโยนิโสมันได ที่การเป็นปัญญาขอเขาเองที่จะเดินทางได้ถูกทางเพราะฉะนั้นเป็นตัวปัญญาและการเดินทางอย่างบ่ท่อถอยนี่เป็นความเพียรถ้าหากว่ามาไปลงทางข้ามผูเป็นผู้โอ้ยคุณเมื่อคืนกูอยากขามผู้เขาไปบนเก่าอีกกูยอยากกาลังที่ไหนก็มดแต่กําลังขาแต่ต้องบืนโศตายน่อยถ้ามึงสั่นเขาตายกลางป่าได้เป็นเวละตายกลางป่าตายกลางวัดตาสงสารถ้่าหากเขาบ่บืนบันนั้นดังนั้นความเพียรกับปัญญาเนี่ยมานำกัน แต่มีปัญญาหนำะมีความเพียรต้องสําเร็จทุลายเรื่องไปมากไปพ้นเดมีผู้ใดรอดแต่ว่ามันขาดอันใดหนึ่งบางที่มีความเพียรดีแต่ปัญญาบาพอบางที่ปัญญาดีแต่ความเพียรบาพอไม่ได้ยากว่องนั้นไนงะแล้วนั่นก็เรียกว่าอดตมบ้านีนาซั่มไดใช้เวลาเดินวันนั้นแต่ว่ามันมีละสองลักษณะหนึ่งข้างนะไดพอกลยันนี้มคือคนอย่างนพปเทียนสองเข้าเป็นคนบ่นอ้อขอบ น, นั่นเข้าเหตุการณ์ในบุนตายได้พยายามพัฒน์นวลละ บบเล่วบเสาจะตายสั่งมันเนี่ยอันนี้ใสอันนี้มันติดตเข้ามาปฏิบัติทํามือกันบางเธอเนี่ยมันท้อมันถอยมันเบื่อมันใเมื่อจะเหตุไปอย่างมันก็เลยมีปัญญาตัวนี้ขึ้นมามันต้องบืนดังนั้นก็เลยว่าเขาจะไปท้อว่าเขาจเป็นคนกิเลสนาปัญญาหยาบเป็นคนมีบากกรรมไรจะไปคิดยังสั้นถ้าเขายังมีความเพียรอยู่เขามีครูบาอาจารย์มีกัญยาณิมิตอยู่เนี่ยถามเบืนสอกถามอยู่ในสันลักมันต้องไปอยู่ได้ล่ะนะดังนั้นก็ ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจที่เขาแช่กันในเสารนี้เนาะเขามีเวลาเขาอย่าได้แช่กันต่อไปไม่ชมใดก็แล้วแต่นะก็ขอให้ความตั้งใจนี่ให้มีปัญญามีความเพียรที่เข้มแข็งสามารถบุกบินทางสายหนีไปจนถึงที่สุดด้วยกันทุกคนทุกทันทีน